พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคบน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าทำบุญให้โชเฟอร์วันนี้เป็นวัน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 แต่ก็ยังมีหลายวันเพราะว่าตำรวจแห่งชาติคาว่าตำรวจคำนี้ก็เหมือนกับแม่ต่อลังต่อลังแตนที่จะปกป้องอประเทศชาติจะปกป้องรังของตนเองเอถ้ามีอริสัตรูเข้าม า, าตำรวจก็ต้องออกไปประเชิญหรือออกไปปกป้องพี่น้องประชาชนแปลว่าผูพิทักษ์สันติราษาตำรวจแปลว่าพูพิทักษ์สันติราช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 แต่ถ้าหากว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วข็ขอให้มีความสุขริ่งยิ่งขึ้นไปและก็พวกเราถ้าหากว่ายังทาภารกิจหรือทาหน้าที่อยู่ในขณะนี้ผู้พิทักษ์สันติราชแอรักษาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ขอขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวัณะสุขภาระลาบยศสรรเสริญสุข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 รุ่นทวดของพวกเราหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับพวกเราที่ทําหน้าที่เลวะมาทําบุญชดเชยในวันนี้อันนี้ก็คือในทางพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคนเราทุกคนทุกวิญญาณตายแล้วไม่สูญคําว่าตายแล้วสูญพวกเราก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากนะ พอตายแล้วศูนย์เนีเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาในก่อนที่จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นต้นาศาสนาตนพระพุทธศาสนาก่อนที่จะวางพระาศาสนาก่อนที่จะวางพระพุทธศาสนา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 เส้นเลือดแตกในสมองมาเป็นอามาพาที่เสียกหนึ่งอย่างนี้เพราะนั้นใจของเราโซเฟอร์ถึงจะรู้แสนรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องประกอบเอาหายางมาใส่นี้ก็เหมือนกันก็ต้องดูแลรักษาร่างกายแต่เมื่อร่างกายลคันาลดลถมันหยุดาสายพันุ์มันขาด เ, เครื่องมันติดคาบิลมันตัน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 แบบโง่เง่าเต่าตุต่นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นของเก่งไหมพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะให้พวกเราพิสูจน์โดยพิสูรรจนเ์เรื่องจิตภาวนาเรื่องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้แจง้งเห็นจริงเหมือนกับวิชาทั่วๆไปนะวิชาไหนในโลกที่มีมากหลากหลายจะเป็นวิชาการแพทย์วิชาญวิทย์อังกฤษ อ, อะไร มีมากมายนวิชาวิชางกระส่งเกษตรวิชาเกงเกษตรนี่ก็แยกออกเป็นทุกเท่าไหร่วิชาการแพทย์ก็แยกเป็นทุกเท่าไหร่เอ่ยขานิาสสตร์บริหารเอ่กฎหมายมันมากมีมากหลากหลายเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอ้ยพิชาห่วยๆหรอกวิชาพุทธศาสนาเอ่หลับตาดูก็รู้ละเอ่ให้มีทานมีศีลมีภาวนาสามอย่างเท่านั้นละเราพูดแค่นั้นไม่ได้นะ มันต้องศึกษาคําว่าภาวนาคํานี้นคืออะไรมีจุดหมายอะไรสินนี่คืออะไรอย่างที่ลองพวกเรารับสินเมื่อกี้เนี่ยเออสินห้ามีอะไรไม่ให้ค่ากันไม่ให้ค่าสรัพย์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในการมมุสาสุรามีอยู่สิบห้าข้อเท่านี้แหละแต่พวกเราแยกแยะดูซิว่าศินห้าข้อเนี่ยปานาไม่ให้ค่ากัน เ, เราคิดดูใช่ไหมเมื่อเราไปฆ่าเขานะโดยไม่มีเหตุมีผล ไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเรา magic, เขามีความรู้สึกอย่าง oir. ไรเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยของเราล่ะขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไทยอย่างนี้เราดีใจัหมเสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจเห็ ข้อที่สามกามเมสุมิตสาจาเราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราล่วงล้ำเขาละ่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะไอ้กรชากลากถูสามีภรรยาของเราเนี่ยเอาไปเป็นของเขา เ, เราเสียใจไหมเสียใจ เ, เพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา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 ไม่ใช่ทองเป็นตะกัวอย่างนี้เราเสียใจยไหมเสียใจยถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาเขาเสียใจยไหมเขาเสียใจยนะสรุปแล้วก็คือโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านะีคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละหลักธรรมคาสอนท่านพูดมาทั้ง2556ันหายปีให้หลัง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 เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเราต้องมีสิินหา้าแต่บางคนก็พูดกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อถ้าผมไม่ดื่มเหล้าก็ไม่มีหมู่เลยอย่าไปพูดอย่างนั้นเสียว่ะหลวงพ่ออินไม่เห็นกินเหล้าะถ้าคอยดูวันกระถินนี่มากขนาดไหนหมู่หลวงพ่ออินเออเอามานับแข่งกันดูสิหลวงพ่อท้าอย่างนั้นอีกนะเอพราะนั้นการไม่ดื่มสุราเป็นคนดีเสอย่างเออ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 ท่านผู้กำกับแลขณะเจ้าหน้าที่ตั้งหลายก็ให้อุธิส่วนกุศลเ น, น้าวันนี้หน้า